บัตรนี้จะแสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวในสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบส่วนที่เป็นองค์มรสัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์มรคข้อที่สนั้นคือความเห็นชอบในทุกข์นิโรธ ได้เกิดความดับทุกข์ทุกขริทุกขนิโรดนั้นทรงแสดงว่าเป็นธรรมะที่ควรทำให้แจ้งหมายความว่าเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามองค์อริยมรรคทั้ง8ประการเมื่อบุคคลปฏิบัติตามอริยมรรคทั้ง8ประการให้สมบูรณ์แล้วก็จะมียานคือความรู้ผุดขึ้น และยานที่ผุดขึ้นนั้นก็จะทำหน้าที่รู้อริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงและในขณะเดียวกันก็ขจัดกิเลสอันเป็นตัวสมุทยคือเหตุเกิดแถงทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปลักษณะของนิโรดนั้นทรงอธิบายไปว่าได้แก่อาการของจิตที่สำรอก ตันหาออกไปจากจิตได้จิตสละตันหานั้นหมดสิน้นทายถอนตันหาออกไปทรงคืนตันหานั้นและหลุดพ้นจากอำนาจของตันหาโดยไม่มีอะไรนิโรธจึงหมายถึงนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา คำว่านิโรธก็ดีนิพพานก็ดีบิมุตก็ดีนั้นหมายถึงชื่อแห่งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติชอบตามองค์อริยมรรคทั้งแปประการและยังมีคำที่เรียกชื่อนิพพานหรือนิโรดนี้อีกเป็นอันมากซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเป็นเครื่องเชียยเห็นว่า เรื่องนิพพานหรือเรื่องนิโรดนั้นเป็นธรรมคุณบทว่าสันเดติโกคือผู้บรรลุเจรพึงเห็นได้เองและปัจจตังเวดิตบโบวินยูชิอันบินยูชนจะรู้เฉพาะตนเท่านั้นการจะให้อาธิบายความหมายลักษณะของนิพพานหรือนิโรธโดยแจมแจ้งนั้นไม่อาจจะทำได้ แม้แต่พระพุทธดำรัสที่สัตว์ถึงนิพพานห ร, หรือนิโรธไว้ก็จะสัตว์ในลักษณะปฏิเสธบ้างในลักษณะบ่งบอกโดยยกตัวอย่างที่เป็นอุปมาเข้ามาเปรียบเทียบบ้างแต่ไม่อาจจะทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจเช่นเดียวกับธรรมะข้ออื่นๆ ทั้งนี้เปรียบเหมือนกับการอธิบายรสของอาหารเป็นต้นถึงแม้จะอธิบายยังไรก็ตามผู้ฟังไม่อาจที่จะทราบรสได้โดยแท้จริงนอกจากจะลงมือลิ้มรสเหล่านั้นด้วยตนเองเรื่องของนิพพานในพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ โดยการโดยผลของการประพฤติปฏิบัติดังที่ได้กล่าวแล้วแต่เมื่อจะนำมาถาอธิบายให้แจมแจ้งปรากฏว่าอธิบายไม่ได้ท่านยกอุปมาไว้ว่าเหมือนกระเตากับปลาเป็นสหายกันเตานั้นเป็นสัตว์เที่ยวไปได้ทั้งในน้ำและบนบก เต่าไปพบเห็นสิ่งต่างๆบนบกมาก็นำมาเล่าให้ปลาฟังปลาก็ถามเหมือนอย่างนั้นไหมเหมือนอย่างนี้ไหมเหมือนอย่างโน้นไหมคือถามเฉพาะสิ่งที่ปลาเห็นอยู่ในสระหรือในบ่อนนั้นเต่าก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ไม่เหมือนอยู่ตามธรรมดาแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่เต่าพบเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ มีอยู่เป็นอยู่เพราะเป็นเรื่องที่ต่าวประจักษ์โดยตนเองแต่ว่าปลาไม่อาจที่จะพบเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ก็ว่า ก, ก็เพราะว่าปลาเป็นสัตว์ที่เกิดในน้ำอยู่ในน้ำจเจริญเติบโตในน้ำเรื่องของนิพพานก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเป็นผลที่จะเกิดขึ้น และประจักษ์ชัดแก่ใจของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นในด้านความมีอยู่ของนิพพานนั้นได้ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งเหล่านี้คืออายตนะเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่ดินน้ำลงไฟและไม่ใช่สิ่งต่างๆเป็นอันมากที่ทรงปฏิเสธไว้แล้วก็สรุปในตอนสุดท้ายว่า สิ่งนั้นมีอยู่นักิกูุน์ทางหลายในขั้นของการไปสู่พระนิพพานก็ทรงแสดงแบบปุปปามาเช่นเดียวกันทรงแสดงว่าเหมือนกับไฟที่ดับแล้วบุคคลไม่อาจจะบอกว่าไฟนั้นดับแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดแต่ว่าการดับนั้นมีอยู่แล้วไฟนั้นก็ได้ดับไปแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาของบุคคลส่วนดับไปแล้วจะไปอยู่ในที่ไหนไม่อาจที่จะพูดได้เรื่องของนิพพานจึงไม่มีการไปไม่มีที่ไปและในขั้นที่แท้จริงแล้วแม้แต่ผู้ไปก็ยังไม่มีเพราะถึงชั้นของนิพพานอันเป็นโล ก, กุตระ จะมีการปล่อยวางความยึดถือในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาลงไปได้ความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่มีแก่ท่านผู้เข้าถึงนิพพานบางครั้งก็ทรงแสดงถึงความไม่มีโดยนยะแห่งพุทธภาสิทธิว่า นิพพานังประมังสุญญยังนิพพานเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าอย่างยิ่งซึ่งแน่นอนว่าบุคคลผู้ฟังพระพุทธวจนะในเรื่องเหลักนี้ก็อาจจะน้อมนึกมาตรวจสอบดูภายในใจของตนว่าถ้าใจของเราเวลาใดก็ตามที่ว่างจากอารมณ์อันทำใจให้ขุนมัวเศร้าหมอง จะรู้สึกว่ามีความสงบมีความสะอาดมีความสว่างบังเกิดขึ้นเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างในยามปกติที่ตนไม่อาจจะตรึกนึกได้หรือว่าระลึกได้แต่ถ้าจิตตกอยู่ในสภาพว่างจากอารมณ์เครื่องขูดมัวเช่นนั้นก็สามารถน้อมรำลึกไปถึงเรื่องในอดีตการนานไกลได้ ความว่างที่เกิดขึ้นในลักษณะนั้นเป็นกา ร, เ ก, ารเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วขณะนึ่งแต่อาจสร้างความสงบความสุขความโปร่งเบาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเป็นอันมากถ้าหากว่าบุคคลลองขยายการที่ว่างจากอารมณ์เครื่องคูณมัวออกไปเป็นชั่วโมงเป็นวัน เป็นเดือนเป็นปีและตลอดไปจิตใจของตนจะมีความสงบมีความโปร่งเบาสบายมากเพียงไรก็อาจที่จะน้อมนึกเอาได้บางครั้งก็ทรงสแสดงถึงความไม่มีแห่งกิเลส ท, ทั้งหลายเช่นว่าเพราะละตันหาไดจึงเรียกวันนี้ผ่านบ้าง เพราะถอนตานหาพร้อมทั้งมูลรากได้เรียกว่านิพานบ้างเพราะทำลายกองอวิชาให้หมดสิ้นไปจึงเรียกว่านิพานบ้างนี่เป็นการแสดงถึงความไม่มีแห่งกิเลสคือหมายความว่าภายในจิตใจของท่านผู้ได้บรรลุนิพานหรือนิโรดนั้นไม่มีกิเลสจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ได้ เป็นตานหาอุปาทานเป็นต้นจิตใจของใครก็ตามที่ไม่ถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสเป็นจิตที่บุคคลสามารถมีได้ในโอกาสหนึ่งในขณะหนึ่งแล้วถ้าลองสังเกตถึงโทษของกิเลสดูก็จะพบว่าในขณะใดที่จิตบังเกิดความโลภก็ดีโกรธก็ดีหรือหลงก็ดีขึ้นมานั้น ความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็จะเริ่มเล่าร้อนจนถึงกระสับกระส่ายบางครั้งก็คุมไว้ไม่ได้กิเลสเหล่านั้นบังคับกายบ้งบางบังคับปาจาบ้างให้พูดให้กระทําไปตามอํานาจของกิเลสนั้นๆซึ่งแน่นอนว่าเมื่อกระทําไปแล้วก็จะต้องออกมาในรูปของทุจริตทางกายบ้าง งวา จ, จบ้างแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการกระทมเหล่านั้นก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นผลที่ตนเห็นได้แต่ถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลไม่ประกอบด้วยกิเลสแม้ในโอกาสหนึ่งแม้ในขณะหนึ่งนั้นจิตใจก็จะมีความสงบเย็นอยู่ด้วยธรรมะ ไม่ฟุง้งซ่านซัสสายไปในอารมณ์ที่ใคร่และที่ชังจิตที่มีลักษณะนี้จะมีความสงบเย็นบังเกิดขึ้นซึ่งบุคคลก็อาจจะดูได้ในช่วงหนึ่งในขณะเด่งแล้วอาจจะน้อมนึกขยายการที่จิตปราศจากกิเลสให้เพิ่มขึ้นเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้ว ก็อาจจะมองเห็นถึงสภาพจิตของท่านที่เข้าถึงนิโรธคือความดับทุกว่าเป็นเช่นไรบางครั้งก็แสดงถึงความไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสและเพลิงทุกข์บางเกิดขึ้นว่าเป็นนิพพานหมายถึงการดับทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้ ในกรณีของเพลิงทุกนั้นจะเห็นได้ว่าตามปกติแล้วความทุกข์เป็นเพียงมายาท่านั้นเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงแต่เป็นเรื่องของใจที่ตั้งไว้ผิดกรอบด้วยตัณหาอุปาทานอันมีอยู่เป็นเชื้อไปกำหนดหมายสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นทุกข์บ้าง เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์บ้างทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัวการที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นก็ไม่อื่นไปจากขันทั้งหประการคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแกิวิญญาณหรือกล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องของนามกับรูปถ้าไม่นามก็เป็นรูปถ้าไม่รูปก็ต้องเป็นนามไม่อย่างใดก็อย่างหง แต่ว่ารูปนามเหล่านั้นเป็นของมีอยู่แม้แก่พระอระหันต์ทั้งหลายถ้ารูปนามเป็นตัวความทุกข์แล้วพระอระหันต์ก็ต้องทุกข์ด้วยแต่ตามความเป็นจริงแล้วท่านผู้เป็นพระอระหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทั้งๆ ท, ที่มีรูปนามอยู่แต่ก็ไม่ทุกข์ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุยุดถือ โดยความเป็นเราบ้างโดยความเป็นของเราบ้างโดยความเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างไม่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ท่านจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เมื่อจิตของท่านไม่ไปยึดไม่ไปถือจิตของท่านก็ไม่แกล้งไปเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของรูปนามเหล่านั้นดังนั้น ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนจึงสืบเนื่องมาจากจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหาประการว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราดังที่ได้กล่าวมาแล้วบางครั้งก็ส่งแสดงเป็นรูปของผลซึ่งบุคคลอาจน้อมนึกได้เช่นเดียวกัน เช่นทรงแสดงว่านิบานังปรามังสุขังนิพานเป็นบรมสุขความสุขนั้นคืออาการที่จิตใจโปร่งเบาสบายไม่มีอะไรเสียดแทงคือทั้งกิเลสและทุกข์ไม่เสียดแทงกายและใจของบุคคลผู้นั้นในขณะนั้นบุคคลก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสุข ความสุขอันเกิดขึ้นจากความสงบบาปสงบเวรสงบภยัยสงบกิเลสและสงบเพลิงทุกข์นั้นในช่วงหนึ่งในขนาดหนึ่งบุคคลสามารถที่จะสัมผัสกันได้แล้วก็สัมผัสกันอยู่เป็นประจำวันในชีวิตจึงบุคคลใดที่มีสติสัมปชัญญะมากก็สามารถสงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เหล่านั้นได้ และได้ความสุขกายสบายใจในแต่ละวันมากบ้างน้อยบ้างตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติในนิพพานในสุขคือความสุขอันเกิดขึ้นจากการบรรลุนิพพานนั้นเป็นความสุขที่ไม่มีทุกข์เข้ามาเจือปนเพราะทายถอนตันหาพร้อมทั้งมูลรากออกจากกิจใจได้แล้ว แต่บุคคลอาจจะน้อมนึกขยายส่วนของความสุขที่ตนสัมผัสจากการหลุดพ้นจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ในขณะนั้นๆออกไปให้กว้างข้าวเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีโดยนิยะดังที่กล่าวมาแล้วก็จะเห็นความสุขในพนิพานได้เด่นชัดขึ้นภายในจิตใจนิพานคือความดับ หรือว่านิโรธความดับทุกข์นั้นในที่นี้จึงทรงแสดงในรูปของลักษณะคือสภาวะของจิตที่สำรอกตันหาคือชำระล้างตันหาออกไปจากจิตใจได้อันเป็นการแสดงเห็นว่าตันหากับจิตนั้นไม่ใช่เป็นอันเดียวกันตันหาเป็นอาคันตุกะเป็นแขก ที่จรเข้ามาสู่จิตใจแล้วเมื่อมาอยู่กันมากข้าวมากข้าวก็มีอำนาจเหนือเจ้าของบ้านคือจิตใจควบคุมบังคับบัญชาจิตใจของบุคคลให้เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของกิเลสเหล่านั้นแต่เมื่อบุคคลได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคือองค์อริยมรรคทั้ง8ประการแล้วก็สำรอกถ่ายถอนตันหาเหล่านั้น ออกไปจากจิตใจและท่านยังได้ไขความในตอนต่อไปว่าเป็นการสละคือละทิ้งตัณหานั้นไปเลยเป็นการถ่ายถอนกลับออกไปซึ่งเป็นการเน้นให้เห็นว่าตัณหากับจิตไม่ใช่เป็นอันเดียวกันตัณหาเป็นพวกแปรปลอมเข้ามาจิตตามสภาพแล้วก็เป็นประพัดสอน คือสามารถที่จะขัดให้ขึ้นเงาได้สามารถที่จะแยกไอ้กิเลสตัณหาออกไปจากจิตโดยเมื่อแยกออกไปเด็ดขาดแล้วกิเลสนั้นจะไม่กลับมาสู่อำนาจของมาครอบงำจิตได้อีกเหมือนกับบุคคลจิรนัยเพชรขจัดสิ่งที่ไม่ใช่เพชรออกไปแล้ว ต่อแต่นั้นถึงแม้จะนําเพชรไปวางไว้ในที่สกรปรกเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่อาจทําเพชรเหล่านั้นให้แปดเปื้อนได้หรือไม่อาจแทรกซึมเข้าไปในเพชรได้จิตใจของบุคคลที่สละที่ทายทอนตัณหาออกแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นเรือีกอย่างหนึ่งได้อธิบายไว้ว่าเป็นอาการคลายคืน คือเป็นการพูดแบบปุปปามาเหมือนกับว่าบุคคลไปอมอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยเอาไว้แล้วก็มองเห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นก็คายสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปพิษภัยที่จะเกิดจากสิ่งเหล่านั้นก็ไม่อาจทำอันตรายแก่บุคคลนั้นได้เพราะได้คายทิ้งไปแล้วจิตนั้นหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสและตัณหา อาการหลุดพ้นนั้นได้แสดงไว้เป็นหลายชั้นด้วยกันบางชั้นเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสามารถที่จะทำได้ท่านเรียกว่าเป็นตะทังกวิมุตคือหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆหมายความว่าเมื่ออารมณ์คือกิเลสหรือความทุกข์บังเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้ว บุคคลได้เพ่งพินิษฐ์เห็นว่าสิ่งนี้เป็นโทษเป็นภัยเกิดขึ้นแล้วทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้ทับทวีขึ้นเพิ่มกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นแล้วจะทวีจำนวนยิ่งขึ้นจึงกําหนดใช้สติสามไปชัญญะระลึกรู้ถึงโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็สงบ หรือดับอารมณ์เหล่านั้นไปเช่นเกิดความโกรธก็ดับความโกรธได้ไปประสบกับสิ่งที่ไม่ดีก็เอาความดีชนะได้อย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ในตอนหนึ่งว่าให้ชนะความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะคนจนหนีด้วยการให้ ชนะคนพูดจาหลาะแหล่ลด้วยการกล่าวคำสัตย์คำจริงเป็นต้นความชนะแต่ละอย่างและแม้แต่ชนะอารมณ์อย่างอื่นเมื่อบุคคลกระทามได้ในขณะนั้นๆก้นก็ชื่อว่าเป็นการหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสได้ในขณะนั้นนั้นถ้าหากว่าช่วงที่เกิดความหลุดพ้น ยาวนานออกไปบุคคลก็จะสัมผัสความสงบเย็นที่เกิดขึ้นจากจิตอันไม่มีกิเลสในช่วงนั้นๆในการนั้นๆได้พูธทังกวิมุต t นั้นส่วนมากจะทรงสแสดงไว้เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นโดยสอนให้บุคคลเอาชนะอารมณ์ที่ไม่ดีอันบังเกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, น โดยการข่มความรู้สึกนั้นไว้สิบัางด้วยความอดทนบ้างโดยการเมตตาบ้างโดยการแสดงมุติตาเป็นต้นบ้างในชั้นนี้ทรงใช้ควาว่าสันเลขาคือขัดเกลาหมายความว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นๆก็ใช้ธรรมะที่ตรงกันข้ามขัดเกลกกิเลสเหล่านั้นออกไป เช่นเกิดราคะความกำหนัดกราาขึ้นมาก็ใช้อสุภกรรมฐานการพิจารณาให้เห็นความไม่สวยไม่งามของรูปร่างกายขัดเกลาาความรู้สึกเหล่านั้นไปเกิดโทสะความประทุษร้ายหรือโกทะความโกรธขึ้นกลุ้มรุมใจก็ใช้เมตตาคือความปรารถนาดีขัดเกล้าความรู้สึกเหล่านั้น เหล่านี้จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเมื่อบุคคลปฏิบัติแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นการสัมผัสวิมุตต์หรือนิพานในระดับหนึ่งซึ่งท่านใช้คําว่าตะทางแกนิพานหรือตะทางกวิมุตตหรือความหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆด้วยอารมณ์นั้นๆหรือความดับกิเลสด้วยองค์นั้นๆด้วยอารมณ์นั้นๆในช่วงที่สองนั้นเป็นผลโดยตรง ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมถกรรมฐานซึ่งกำลังปฏิบัติกันเจู่ที่คือสมถกรรมฐานได้แก่กรรมฐานที่เป็นอุบายส ง, งบใจซึ่งทรงแสดงไว้โดยนัยะเป็นอันมากในพระัยปิฎกมีถึง40ข้อด้วยกันนั้นคือถือว่าคล้ายๆกับผ้าที่เป็นที่นำบุคคลขึ้นฝั่งได้ และแต่ละท่าทั้ง40สิบท่านั้นก็ช่วยคนขึ้นฝั่งได้ด้วยกันทั้งนั้นใครจะเลือกปฏิบัติในข้อใดก็ได้และเมื่อปฏิบัติไปจนจิตใจสงบเป็นสมาธิคืบคลานไปโดยลําดับได้บรรลุสิ่งที่เรียกวิชานและในชานนั้นก็มีองค์ซึ่งทําความประณีตได้บังเกิดขึ้นภายในจิตเป็นชั้นเป็นชั้นไป และเมื่อฌานบังเกิดขึ้นจากขั้นที่หนึ่งเป็นต้นไปแล้วกิเลสคือโลภโกรธหลงที่ขึ้นกรุ่มรุมใจอันได้นามันนิวรนนั้นก็จะถูกสงบระงาไว้ยด้วยองค์ของฌานนั้นๆคือหมายความว่าฌานข้อหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําหน้าที่สงบนิวรนข้อนั้นๆไว้ลักษณะเดียวกับขจัด ขัดเกลามเหมือนกันแต่ว่ากิเลสสงบได้นานกว่าคืออาจจะเป็นหลายๆปีก็ได้ถ้าฌานยังไม่เสื่อมองค์ของฌานนั้นมีอยู่ห้าประการนิวรณ์ก็มีห้าประการเพราะฉะนั้นองค์ฌานแต่ละองค์ก็สงบนิวรณ์แต่ละข้อก็ครบเป็นคู่กันพรอดีความสงบกิเลสในจุดนี้เรียกว่าวิขัมภณะวิมุติ หรือวิขำพนะปะหานการละด้วยการกดทับไว้โดยอาศัยองค์ของฌานการละกิเลสในระดับนี้ทําให้บุคคลผู้ละกิเลสอยู่เหนืออำนาจกิเลสตลอดไปสาบเท่าที่ฌานยังไม่เสื่อมแต่เป็นการกดกิเลสไว้โดยท่านอุปมาว่าเหมือนอาแผน่นศิลาไปวางทับไปบนห ญ, ญา้า ก็ไม่ได้หมายความว่าย่านั้นไม่มีแต่ว่าจาาใดที่ศิลายังมีอยู่ย่าก็แสดงตัวออกมาไม่ได้องค์ฌานที่บางเกิดขึ้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือจะกดทับนิวรณ์เอาไว้ถ้าฌานยังไม่เสื่อมนิวรณ์ก็เกิดขึ้นไม่ได้นิโรธนิพานหรือวิมุตอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นองค์ของอริยมรรคนั้น ได้แก่การละได้โดยเด็ดขาดคือหมายความว่ากิเลสอะไรก็ตามจากส่วนน้อยที่สุดคือสข้ออย่างพระโสดาบันบุคคลเองก็บรรลุนิโรธหรือนิพพานเหมือนกันกิเลสที่ท่านละได้นั้นไม่กลับกำเริบอีกต่อไปและแม้จะไปอยู่ในแวดวงสิ่งอะไรต่างๆก็ตาม กิเลสที่ละนั้นจะไม่กลับกำเริบมาช่วการละนั้นอย่างนี้เป็นผลตรงมาจากการปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์8ประการคืออริยมรตมีองค์8ประการที่บุคคลกระทาให้สมบูรณ์ความสมบูรณ์ก็มีอยู่หลายช่วงช่วงแรกศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณ นิโรธคือความดับกิเลสก็บังเกิดขึ้นแต่ก็เหมือนแสงสว่างที่มีจำนวนน้อยขจัดความมืดได้ในสัสดส่วนของตัวเองแต่ว่าในจุดที่มีแสงสว่างอยู่นั้นความมืดก็มีไม่ได้การหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสในลักษณะนี้เช่นประสดาบันหลุดพ้นจากสังโยชน์ได้สาม คือไม่มีกิเลสเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาหรือถืออัตตาไปเที่ยงแท้แน่นอนเปน็นต้นไม่มีความลังเลสงสัยในพระธรรมตรัยในใจสีขาเป็นนาทีไม่ถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ที่นิยมกันว่าครั้งนิยมกันว่าศักดิ์สิทธิ์และปฏิเสธการกระทาอย่างอื่น โดยยึดมั่นอยู่เฉพาะการกระทำของตนเป็นต้นกิเลสทั้งสามกองนี้ซึ่งเป็นอาการของโมหะพระโสดาบนันละได้โดยเด็ดขาดและการละในลักษณะนี้ชื่อว่าเป็นนิโรธและก็ชื่อว่าเป็นนิพพานซึ่งนิพพานนั้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเป็นพระอระหันต์ชื่อว่าได้เข้าถึงนิพพานที่แท้จริง ดังนั้นท่านจึงแบ่งนิพพานไว้เป็นสองประการเรียกว่าสะอุปาทิเสสนิพพานคือดับกิเลสยังมีเบญเจขันเหลือนี้ในความหมายหนึ่งสําหรับพระอาหารหันต์อีกในความหมายหนึ่งนั้นหมายความว่าดับกิเลสได้ในระดับนั้นๆอย่างเช่นประโสดาบานันดับกิเลสได้สามดังที่กล่าวแล้วและอนุปาทิเสสนิพพาน คือหมายความว่าดับกิเลสโดยสิ้นเชิงบางคราวก็หมายถึงพระอรหันต์บางคราวก็หมายถึงพระอรหรันต์ที่ที่ตายคือเรียกว่าปรินิพานหมายความว่าดับทั้งกิเลสและก็ดับทั้งขันนิพานนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงเป็นได้จริงๆและเป็นสิ่งที่บุคคลจะสัมผัสได้ด้วยตน ผลคือ น, นิพพานจะบังเกิดขึ้นนั้นได้ก็ด้วยการปฏิบัติชอบตามอริยมรตมีองค์8ประการเมื่ออริยมรคทั้ง8ประการเข้าถึงความสมบูรณ์นี้สมบูรณ์แล้วผลดังกล่าวก็จะบังเกิดขึ้นแต่เป็นผลที่บุคคลนั้นจะรู้ได้เฉพาะตนตามระยะแห่งพระธรรมคุณต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป